ต่อไปหน้าสามสิบสี่หันธรรมยางภาระสุตคาทายุภานามเาเซภ า, า, าระเวปัญจคันธาภาระฮารจฌปุขะนต์ันทังฮักเป็นของหนักเนื้อผู้คนและเป็นผู้แบกของหนักพาไป พาราธานังทุกขังโลเกการถือถือเอาหนักเป็นความทุกข์ในโลกพาลาิเคป น, นังสุขังการสลัของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขนิคิปิตวาครุงพางรามพระอริยเจ้าสลักทิ้งของหนักลงเสียแล้ว อันยังพารังอนาธิยามทางไม่หยิบช่วยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกสามูรางตันหังอับุญห า, าก็เป็นผู้ถอนตันหาขึ้นได้ก็ทท้งรักนิชชาโตปะริณีผู้โตเป็นผู้หมดสิ่งปราจันน ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือน